พุทัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสังสรรค์สนทนานะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องทํางานกันซะเป็นส่วนใหญ่อ่ะนะคะเพราะ <laughs> ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ ไม่มีทางหลุดที่จะไม่ให้ข้อธรรมให้ 40 50 60 70 พอถึงปีใหม่อยากตั้งต้น แต่จริงๆแล้วมันเป็นธรรมะมากๆเลยนะ 1 เนี่ยก็ 1รร1 ถูกมั้ยค่ะเอ่อปี 1 <คะ S><คะ S> เรามาอยู่ตำแหน่งเดิมเมื่อเราอยู่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตำแหน่งเนี้ยแหละที่เราอยู่ๆเนี่ยอย่างเซลล์ของเราก็มีเอ่อ นะว่าพอมันวนรอบไปเรื่อยๆมันก็มีความแก่นะจนทั้งมันมันไปไม่ไหวแล้วมันก็จบมันก็หมุนไปไม่ได้ๆก็ <ใช>เรียกว่ามีประสบการณ์ขึ้นอีกปีนึงนะโดยเช่นอ่าตัวเราเนี่ย ก็สงสัยเหมือนอืมเอ่อเป็นแค่สมมุติๆแล้วๆท่านค่ะเอ่อต้องอธิบายอย่างงี้ก่อนว่าจริงๆจังๆเนี่ยคือเราๆมันมีมีอย่างสมมุติๆนะไอ้ ไอ้ความที่มันไม่ได้เป็นไปตลอดกาลไอ้สิ่งจังๆเนี่ยไอ้ความที่มันไม่ได้เป็นๆนะแต่ เปลี่ยนแปลงไปได้มันกลับเป็นอย่างเดิมได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นมันแก่ได้มันตายได้มันเสื่อมได้เนี่ยเนี่ยคือความที่มันเป็นอนัตตานะ มีๆแต่มันอยู่ไม่ไม่ตลอดใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นความเข้าจริงๆแล้ว ไม่เคยที่วนมาอีกรอบเรากลับไป 1, 1> <ใช>ไมขวบใหม่เมื่อไหร่พอวนมาอีกอืมถูกต้องท่านให้ๆแล้วมันไปต่อ พุทิงอ่าเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยว่ามันไป แล้วก็โดยปกตินะคะในช่วงสงๆกันทุกปีฉลองสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ๆไปไกลๆ เราจะเฉลิมฉลองกันอย่างไรดีคะในฐานะที่อ่าเรา อ้วกออกมากินเล่าเข้าไปอ้วกออกมามันก็จบละนะสุขไม่มีพรุ่งนี้ตื่นๆมันเป็นๆมันเป็นยังไงเราทําความเข้า เราจะได้ไม่ต้องทุกข์เราจะได้เป็นผู้ที่ผาสุกได้เมื่อความตายมาเมื่อความ ปริวัตรของเวลาแต่เรากําลังพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช่มั้ยคะ แม้เป็นการเฉลิมฉลองที่ร้ายนะคะนี่ๆคือคือที่อาตมาหมายถึงไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้น ถึงความจริงพยายามทําความเข้าๆเนี่ยคือว่าเอ่อเราเนี่ยเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผา แล้วจะพิจารณาถึงไอ้ความเป็นมาเป็นไปกรรมที่เราได้ทํามาในช่วงปีที่ผ่านมาหรือ 2 สิครับใช่พุทธเจ้าได้พูดถึงว่าเวลา เอ่อ 3 น่ะก็คือเรื่องข้อปฏิบัติของตัวเราเป็น 3 ข้อใหญ่ๆที่<ใช> เข้าใจเรื่องของวันเวลาว่าผ่านไปแน่นอนมีความเสื่อมแน่นอนเดินเข้าใกล้ความตายแน่นอนแล้วให้ทบทวนว่า คนพ่อแม่เป็นลูกชาวนาตัวเองขยันเรียนหนังสือค่ะทีนี้ฟังอย่างนี้มันเหมือนเกิด ที่ยังเข้าใจอย่างงี้ไม่ถูกเหรอคะเอ่อมันมี 2 อย่างคือในทางภาษาบาลีเนี่ยคําว่าเกิดเนี่ยหมายถึงการออกจากคันก็ได้นั่นในที่ แต่ดิฉันกําลังนึกอย่างนี้นะคะว่าสมมุติว่าถ้าจะเกิดมาสมมุติคนคนหนึ่งเกิด ทำไมมาเกิดในที่มืดอย่างงี้ค่ะว่าอยู่ในคําอธิบายใช่ๆโดย <นะคะ S 1> และการที่มันจะแย่ลงไปได้แล้วตรงนี้เป็นที่ ผลของกรรมนั้นนะคะอืมแต่พวกนี้พระอาจารย์อธิบายว่าจะเป็นกรรมดีก็ค่ะอ่าฟังดูอย่างนี้ก็คือว่าต้องสอดส่องดูแลพฤติกรรมตัว ก็เป็นผู้ละงล้างก็ได้มั้ยคะหลังจากใช่มั้ยเอ่อมันก็ต้องได้รับแต่ตอนต้นแล้วต้องได้รับผลของ เกลือก็ 1 ที่มันมีปริมาณก้อน<ใช> 1 เนี่ยถ้าเอาความเค็มแทบไม่เหมือนกับบุญที่เราสร้างเอาไว้ เป็นเข็มมากเค็มมากแต่ถ้าน้ําเรามากให้ผนอยู่แต่ว่าจะเบาบางอย่างงี้งั้นได้เลยเพราะปลอดภัยแน่ๆเข้าไป ไม่ได้อยู่ถึงตอนที่เราจะสร้างกรรมดีได้อาจจะตายไปก่อนนะกรรมชั่วน่ะ จะพยายามทําให้ท่านเข้าใจนะคะจะได้ 2 ข้อนะคะว่าถามตัวเอง ไปปฏิบัติธรรมที่ศรีสังเวชนียสถานอย่างที่ไม่มีใครเหมือนไม่ ความหมดภัยยืนรวมความไม่ประมาท